เมื่อบ้านเมืองเกิดการความประสามประสยขึ้นสถาบันทางพุทธศาสนาก็พอได้รับการกระตุษษษษษ้นกระเทือนทําให้ความกระึงก้าวหน้าต้องชะงักลงแล้วพร้อมกันนั้นก็มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับอินเดียนั่นก็คือมีศัตรูต่างชาติต่างศาสนาที่ถือนโยบายการลุกลามศาสนาอื่นเป็นบุญกุศลได้เล่มมาท้าผายเข้าต่อตบ้านอินเดียแล้วในราวๆสมัยเดียวกับพระเจ้าหันตะวันทนะ ตรงประเทศ น, นี้หรือนา้นโลกได้เกิดศาสนาหมายขึ้นอีกศาสนาหนึ่งศาสนานั่นคือศาสนามุสลิมซึ่งขมูฮัมมัดเป็นผู้ก่อตั้ในประเทศอาระเบียหืออาหรับเดี๋ยวนี้เมื่อขมูฮัมมัดสิ้นขชนลงบรรดาสาวกของขมูฮัมมัดได้แผ่จกักรวรริทางศาสนาให้แพร่หลายออกไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยยกกองทัพไปตีประเทศทียิตในแอฟริกาเหนือและข่านทะเลแดงไปบุกในยุโรป ไปประเทศสเปนอิตาลีฝรั่งเศสกองทับอุซซิลิมลุกบุกครุบไปถึงในยุโรปไม่ประเทศยุโรปนั้นเมื่อกองทัพอุซซิลิมในียุโรปภาคใต้ก็จ ะ, จะเรียกว่าทั่วไปหมดแล้วก็กระนไปถูกรองกัดกัน้นในประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสได้รวบรวมกําลังทหารขัดกั้นขื้นมุซซลิมให้อยู่ติดาตทางตะวตกเมื่อถูกขัดทางตะวันตก ข้าพทธลีนกอมาผลักทางตลันออกคือบุคตะลุยทีประเทศอิหรานแตกแล้วก็ตะลุยเข้าอินเดียทีเดียวเพราะฉะนั้นราลาราวปี1100ก็มีพวกนักถืออำนาจอิสราเอลโยยกข้นมาบุกรุกประเทศอินเดียยึดยึดบริเวณที่ว่าแป้นถึงผู้ทถานคืออบริเวณอินเดียภาคตะวันตกที่ต่อแดงกับประเทศอีรานเดี๋ยวนี้ที่ว่าแป้นถึงทุกเทศ ด้วยถึงทุกขปานได้ในอำหนาจอยู่ละเาสองร้อยีใ น, นระหว่างสองร้อยปีนั้นกองทัพตา่างหน้าต่างฝาสนามนี้ยังไม่สามารถที่จะบุกทะวงแนวปราการอันแข็งแกร่งที่เข้ามาตัวอินเดียภายในใจกลางประเทศได้ลู่แม่น้ำคนคากับลู่แม่น้ำยอูนายังปลอดภัยจากกองทัพอิสลามที่ปลอดภัยจะทำให้อิสลามน ะ, ะเพราะว่ า, าบรรดาจะครองละตอนต่างๆในอินเดีย ภายในใจกลางของประเทศยุคนั้นได้ฟื้นฟูวิญญาณระบบชาตินิยมขึข้นมาพวกเจ้าผู้ครองอินเดียพวกนี้ที่ฟื้นฟูระบบชาตินิยมก็ได้เรียกกันว่าพวกเจ้าราชบุตรกลุ่มเจ้าราชบุตรคำว่าเจ้าราชบุตรนั้นเป็นคําเรียกกลางกลางสำหรับพวกวันณะกษัตริย์พวกนี้ที่แบ่งเป็นหลายเหล่าหลายคณะแต่เพราะว่ามีวิญญาณของนักครุฑพวกนี้ได้ฟื้นฟูวิญญาณชาตินิยม แล้วก็นับถือศาสนาพราหม์อย่างเคร่งครัดทุกธศาสนาซึ่งมีลักษณะเป็นสาตนิยมจึงถูกพวกพระพวกเจ้าราชบุตรนั้นคอบพิงปัดอันนี้ไม่ได้หมายจะมาพุทธศาสนาระบุข้อนะลักษณะของพุทธศาสนานเป็นสาตนิยมยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่ไม่มีการถือชั้นบรรณะอย่างนี้แต่พวกเจ้าราชบุตรนั้นเป็นผู้ที่ต้องการถือหมู่ถึงคณะเป็นใหญ่ต้องการจะเอาหมู่คณะนี้เรียกล้อ พวกวันละกษัตริ์นี้มีเลือด ก, กษัตริย์ด้วยกันเนี่ยมาจาัดอาวุธต่อบ้านกัปรูต้องการจะตุ้มปูวันณะ น, นัตลบขึ้มาโดยเฉพาะพวกนงงี้จะไม่จิ้ถืออาสานาครามศาสนาครามที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการอํารรงค์ได้กับพวกอิสรามก็เมีบทดีเทียดได้แต่ว่ารับถึงพระนอรายที่ท่ารายอาวตารลงมาปราบยุทธเข็นในปางต่างๆเนี่ยสําหรับเป็นเครื่องอ้าสําหรับ พวกเจ้าราชบุตรจะห่างเพราะฉะนั้นมีกระตับเจ้าราชบุตรหลายพระ อ, องค์ที่ถือว่าพระ อ, องค์เป็นผู้ที่พระพิธเจ้าส่งมาพิทักษชาวอินเดีย พ, พิทักษ์ชมพูทวีปให้ปลอดภัยจากพวกอิราลีพุทธศาสนา น, นั้นม่ ม, มลีลักษณะที่โน้มเอเียงไปในทางพิยุติกราณไถ่แล้วก็ไม่ไม่ได้นโน้มเอเียงไปในทางที่จะให้ถือดูถึงคณะ แต่มีลักษณะเป็นไปเพื่อความเป็นสาสนเพื่อความเสมอภาคและาภาราดอนภาพอันนี้เพวกเจ้าราะเบิดยินดีถูกใจลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าเอาเพวกเจ้าราะเบิดที่มายึดถือเอาศาสนาอินดีเป็นสาคัญกว่าพุทธศาสนานั้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเราเข้าถึงลักษณะในพุทธภาสนาอย่างแท้จริงแล้วอินเดียจะไม่ต้องตกเป็นมือขึ้นของพวกอิสลามได้ พวกวันณะทั้งสี่สามกษัตริย์แทบสูงและวันละที่สต่ำยิ่งกว่านั้นคือพวกจัทนทันและพวกโมกุสัตบรรดาวันละาตา่ำๆเหล่า น, นี้มีเป็ะเงินตั้งหลายสิบล้านในอินเดียพวกเรา น, นี้เวลาเกิดไทยอิสรามมาุกลามอินเดียพวกเหล่า น, นี้ถือว่าชื่อว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้กษัตริย์เจริญพวกเราเป็นประชาราษฎรวันณะตา่ำๆไม่ต้องไปเก้าวายหน้าที่ของผู้กษัตริย์ พวกกษัตริย์เขมีหน้าที่ต้องลกข้่งองการประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประชาชนส่วนใหญ่ไม่จะให้ความร่วมมือกับพวกชนท่านปกครองในการต่อต้านตะปีเลเพราะเหตุที่ว่าผู้ ว, วันณักษัตริย์นั้นเน้นลุ่งวันณะกอินยมเน้นลุ่งวันนักอินยมเน้นลุ่งหมูนะ่คณะเน้นเรื่องชาติอินยมชาติอินยมหมายถึงชาติที่เกิดเป็นกษัตริย์นะไม่ใชว่าชาติเป็นอินเดียในสมัยโบราณความรู้สึกเรื่องชาติอินเดียไม่มี มีแต่ความวิตกเรื่องชาติมีเป็นชาติก่อจัดชาติพรามชาติแท้ชาติปูดชาติจันทานนี่ถ้ามีรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่เป็นชาติมีรูปแบบนี้แล้วที่ไหนจะต่อสู้ศัตรูได้เป็นผลสําเร็จและประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ให้ความร่วมมือด้วยแต่ชาติรวมกันข้ามิพชนชั้นปกครางอินเดียครั้งก็นั้น่าเคร่งครัดต่อหลักธรรมในพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลเมย์ไม่มีแบ่งชั้นวรรณะ ก, ก็สามารถรวบรวมความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันระหว่างชนชั้นปกครองกับพวกราชบุตรอันเป็นวรณะต่างๆพระหนึ่งกตกนเป็นกําลังมหาศาลสามารถยึดย่งเคลื่อนอิสลามซึ่งบุกทลวงเข้าอินเดียได้อันนี้เราจะเห็นว่าเป็นความบุกเ ข, ข้าของพวกชนชั้นปกครองในอินเดียซึ่งเรียกกันว่าเจ้าราชบุตรที่มีความพุทธศาสนาผิดแล้วก็ยึดย่องศาสนายินดูโดยถือว่ายินดูนั่นเป็นการส่งเสริมชาดนิยม สามารถที่จะรวบรวมกําลังผู้เชนชั้นปกครองที่เป็นกบฏด้วยกันต่อผู้เอกราชของประเทศชาติใพนพม่าอาการย์ก็กลาวกึงว่าไมาร่ระยะเลื่องแรกบรรดาเจ้าฮินดูทหลายที่ปกครองแพ้นต่างๆในอินเดียตอนเหนือก็ยังสามารถจะผนุด ก, กําลังกันได้อยู่รอกในการีิจะาตรึงกําลังที่อิสราะให้ชนัะไปเราหลายศตวรรษอยู่แต่แล้วเนื่องจากความแตกพันธ์ีในพวกกบฏครองนครต่างๆเหล่านี้ ยุยงสูงสูงในแต่ละนมทีกันในที่สุดก็ไปเรียกไทยสั่งด้าวข้าวสั่งแดงให้เข้ามาช่วยเพื่วยลบพวกเดียวกันกองทัพอิสราลสิ้นเดชคืบคลานเข้าครองอินเดียธีรรัฐธี ร, ร, รเมืองเป็นไปอย่างนี้จนกระทั่งถึง ท, ทศตวรรษที่สิบเจ็ดลูกน้ํคคาุณหภูมทั้งหมด ต, ตกลงอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอิสรามในระยะดังกล่าวนี้โฉมหน้าของ ท, ทศกัณฐ์ อับแล้กนีไปหมดแล้วคือว่าเมื่อกองคร้าไทยต่างด้าวเข้าต่างแดนบุกเข้ามาถึงก็รื้วัดว า, ารามข่าพันที่ถุกสวงค์เพุทธรูปเทวรูปเราว่าความว่าทุกถูกทําลายหมดเมื่อเป็นเ่นี้คณะสงฆ์ก็ออกผิวคำพีห น, นีภัยกันหนีภัไยไหลบ่ามา ก, กันที่แควนมาคดมาคดในระหว่างาศพศ1200ถึง1700เป็นดินแดนที่ให้ความปกปักรักษาต่อพิพิธภัณฑ์ชิ้นสุดท้าย ดินดินแดนถืนสุดท้ายที่พุทธศาสนายังมีชีวิตอยู่ได้ในดินดดนนี้ดินแดนส่วนใหญ่ในอินเดียเหนือในสิงทุปเทศในกาตะมีระคันธน า, น า, ร า, า, น า, าราตันดากราชปุตตะขานมิสาวราดินแดนเหล่านี้ไม่ต้องไปหาพุทธศาสนาอีกแล้วกุดหมายเหตุของนักธรมจาริศชาวจีนที่เรียกกันว่าเหี้ยงจังและหรือจีนอีกจริงที่เดินทางไปสู่ศาสนาในอินเดียเมื่อปีพศ .2200 ท่นไดยเป็นครึกเล่าถึงความรุ่งเรืองของวัดวาอารามต่างๆในพิศาสานาว่าในในสิน่ปพิษานน่ะมีวัดถึงหกพันวัดมีงเงินทุนสะสมถึงสองหมื่นกว่ารูปแล้วก็มีมหาวิทยาลั ย, ลยสงสายา่าดีในยานที่ว่ามหาวิท ย, ล า, ยาลัยว่าละพีตั้งอยู่ในแครนวัดละพีอันเป็นแครนภาคตะวันตกของอินเดียแคร น, นี้เป็นเมืองหน้า ด, าด่านเมื่อกองทอิสรามบุกเข้าอินเดียแล้วเลือกจูงตีแครนนี้ก่อนอิเดีย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลั ย, ยวลพีก็ถูกไฟเผาขานมีหน้าเขาตะโรไปคณะสงฆ์ในแค้นนี้ก็ถูกบัน่นวิตงจำนวนมากววาราลาูกถูกยิถูกเผาไปหมดคณะสงฆ์ในแคลนนี้ก็หนีกันมาอยู่ในมักคดหมดอ่านว่าเป็นโชคดีเขาพุทธศาสนาที่ระหว่างพปน2570ราชวงศ์กษัตริย์ดีอยงสุดท้ายที่เป็นชาวพุทธเียกว่าวงปาละราโยงป า, ะาละพรผงก็ัตริชื่อพระเจ้าโคปาละ ไตั้งราชวงศ์นี้ขึ้นในแคว้นมคตตะเบงกอนราชวงศ์นี้มีกษัตริย์หลายพระองค์ที่เป็นพุทธบริษัทฝ่ายมหายานอย่างเคร่งขัดได้พยายามให้ความคุ้มครองต่อพุทธบริษัททุกๆคณะที่หนีไปอิสรามมาแล้วก็กษัตริย์ในยุงตาละหลายพระองค์เช่นพระเจ้าเทวตาละพระเจ้าธรรมตาละพระเจ้ารามาตาละพระเจ้ามีต า, ะาละกษัตริย์เหล่านี้ได้เปงนเจ้าการศึกษาของคุณศาสน า, ษ า, ษายกตัวยอย่างเช่น พระเจ้าธรมารมตาละได้สร้างมหาวิทยาลัยสู์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งให้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสู์วิกรมติลาสร้างวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้าคงคาอยู่ริมแม่น้ําคงคาทีเดียวเรื่องมหาวิทยาลัยวิกรมติรามหาวิทยาลัยวิกรมติลานี้มีศาสตราจารย์ประจำแ8ดร้อยท่านด้วยกันมีศาสตราจารย์บรญยายชาอยู่แปดร้คนมีจำนวนนักศึกษาจํานวนร้านหมื่น มีโคมาศีลาเป็นคู่แข่งกับนารันธาทีเดียวแล้วนอกจากนี้พระเจ้ารามาพะละยังได้สร้างมหาวิทยาลัยถึงอีกแข่งหนึ่งให้ชื่อว่าชคกัดพะลมหาวิทยาลัยสูงชคัดพะละอีกแข่งหนึ่งมีพระสงฆ์นักปฎิสายมีอยประมาณสามพันกว่ารูมหายายสูงชคกัดพะลก็กลายเปวิงพะละนี่ได้พยายามอุ้มชูพุทธศาสนาอย่างสุดความสามารถตลอดระยะสั่งตั้งปพันองร้อยถึงพันเ็ดร้อยื่อมสั่งห้า้อปีดิบเด็กที่ได้ให้กวามคุ้มครองแก่พุทธศาสนา ในยุคนี้พุทธศาสนาได้มีกระบวนาการใหม่เกิดขึ้นอีกกระเบนการหนึ่งเรียกว่านิกลายมนตรยานนิกายมนตรยานนิกายมนตรยานก็เป็นนิกลายที่ลอกออกจากมหายาณ น, นิการนี้ผู้เป็นตุนลพิได้ประกาศบอกว่าพระทุทธองค์นั้นทรงแสดงพรธรรมจักรสามครั้งครั้งแรกแสดงที่อิสิปตนะเป็นธรรมจักโรโปรดเทวดานิยาน ครั้งที่สองแสดงที่ภูเขาคิสตะกูเป็นธรรมจักรโปรทั่วมหาญาณครั้งที่สามเป็นครั้งสุดท้ายและเป็นขั้นวิเศษที่สุดลึกซึ้งที่สุดโปรทั่วมนตรยานที่อินเดียภาคใต้นี่เป็นการแต่งแต่งแต่งอาคตะสถานว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรสามครั้งในนั้นลัทธิมณฑรยานซึ่งเป็นลัทธิของพระพุทธองค์แสดงธรรมจักรครั้งสุดท้ายเป็นเป็นลัทธิที่วิเศษสุดยิ่งกว่ามหายานยิ่งกว่าดินญาณดินญาณมหายานอยี่ยดินญาณเปรียบเหมือนกับ ท่านกับผมมหายานหรืท่านอุยมถึงนมนลรรยาน่ะเป็ท่านอุดมศึกษาท่านมหาวิไล์ว่าอ่างนั้นแต่ความจริงมูลไรยานี่ชื่อมึงก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นลัทธิมนลถือเวทมนต์คาถาอาคมเป็นสำคัญนะฮะในข้อวัตปฏิบัติส่วนใหญ่ก็บันหยัดเรื่องเวทมนต์คาถาอาคมปลุกเตกพระเครื่องรางของขลังโลผภาพละเอียดคุปตะพันชาตรีเมตตามหาอุทยมมีกันใหญ่จากมูลไรยานทั้งนั้น อาจารย์ในมูลตะยานนั้นวันวนมันไม่ไดทําอะไรหรอนั่งเป็นอาจารย์ขังคอยลงจำบอกให้เขาคอยปลุกเด็กทำนมูกมก็มลล ด, ดคนเป็นหน้าที่แล้วขาถามนตะละมนตะละบทตะละบทนะ่ามีอภินิหารศิรลป์จุดตือเชื่อว่าใครจะทําบาปนากับเพียงไหนเพียงแต่เป่นงนามคาถาบทนั้นอนะ่ะบาปตา้งที่ทำมาสี่แสนปุรปปรบับแทงสูงไปเลยยกเลิกมหมดรู้ไหมคนที่ไม่เคยถือมุ่งสวดอ้อนในรับที่มลตะยานมาก่อนเลยตายไปตะโกเละ ทำมีบาปการแล้วลก็ตกกรกถ้าญาติร้องที่มีชีวิตยอยู่จะช่วยเหลือเอาคาถาบทหนึ่งไปเสกตายปักเอาฟ้านี้ไปขี่ไปลุ้มฝังสดข้านี้น่ะวิญญาณเป็นมีตกกระโกน่ขึ้นสวรรค์ทันทีโดยที่คุณคนนั้นไม่ต้องประดอบรมดีอะไรทั้งสิ้นอาตายคนอื่นเข้าเสกตายวิเศษไปโปรยที่บนลุ้มฝังสคาถาอาควิเศษไปโปรยไว้แล้วก็สามารถชุบคตกกรโกให้ขึ้นรกไปสวรรค์ได้ีเป็นลักษณะของมนตรายันมนตรายานอย่างนี้คือาบอกแล้วว่าลัทธิเทมนต์ ถือวเวทมนต์เป็นสําคัญเพราะฉนั้นคาถาอาคมต่างๆในทางศิลาะในเมืองไทยเราที่นับถือกันเนี่ยของเดิมก็มาจากมนตรายานพุทธศาสนามนตรายานเคยแพร่มาถึงเมืองไทยในสมยัยรัตุรีกษัตริยิชัยเราเราเคยนับถือมนตรายานมาก่อนตอนหน้าที่จะนับถือพุทธศาสนาเปรละวาดแบบลังกา ว, วงเคยนับถือมาก่อนเพราะฉนั้นที่ที่พุทธาพิเศษเ อ, อเวทมนต์คาถาอาคมที่เราประทติกันบางส่วนทุกวันนี้ก็เป็นของจําลองแบบมาจากในกายนี้แหละ แต่ว่าเราไม่รู้สึกเพราะว่ามีการนี้สยู่ยกับมึงใครตั้งพันกว่าปีแล้วเราจริงไม่รู้สึกว่าเป็นมูลตรียานอ่านอกจากนี้นะมูลตรียานเขายัางนักผือพระพุทธจเจ้าองค์นี้เรียกว่าอาทิพุทธพระพระพุทธเจา้าองค์ผสมพระอาทิพุทธพระอกวเป็นผู้สร้างโลกทำนองพระเจ้าของจินดูของคลิกที่บว่าเป็นผู้สร้างโลกอาทิพุทธพระเป็นผู้สร้างโลกเหมือนกันแล้วก็พระอาธิพุทธะเนี่ยอวตารแบ่งข้าออกมาเป็นพระปัจจะมุนี พุทธเจ้าปักเป็นพระตษัตริย์กษัตริย์พระพุทธเจ้าบักเป็นพระกูณาคมพระพุทธเจ้าบักพระพุทธเจ้าต่างๆตั้งมากมายหลายพระองค์นะเป็นท่าที่แบ่งออกมาจากพระอาทิตยภูมิพระเพราะนั้นพระอาทิตยภูมิเป็นตัวรูปพระพุทธองค์เอกของโลกเป็นผู้รังตรีโลกลังตรีโลกพระจักรต่างๆออกมาจากพระองค์หมดเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์การเข้านิพพานก็คือการวนตัวอาตมาของเราเข้าไปในองค์อาทิตยภทมิคือนิพพานในนาคีมนตรยา อธิบายแบบนี้อ่เมื่อที่นี่สองอย่างนี้มนตรยานก็แบง่งต่อมาก็แบ่งออกเป็นอีกสองสาขาสาขาหนึ่งได้ว่าพวกวามาจารีนิกายวามจารีอีกสาขาหนึ่งได้ว่านิกายทัศนาจารีแบ่งเนสองสาขานิกายทัศนาจารีนะ่ะพิกจิกในนิกายมนตรยานยังประพฤติธรรมจันย์ยังศึกษาพระปริยัติธรรมในต่ายมหายานอยู่ยังถือถิมถือวินัยอยู่ แต่ว่าเอาขปาอาคมมาแทะประทุตัวแบบหลวงพ่อแขังในเงินเลาดีแหละคือยังประทุพดคมจันอยู่ยังถือวิมัยปฏิโมกเป็นต้องการอยู่นี่เปนฝ่ายนิกายพักินาจารีส่วนนิกายวามจารีนั้นตึงกันข้าเลื่อนเตื่นถลุถลายออกไปจกนกระทั่งเกิดเป็นตธรรมปฏิรูปนิกายวามจารีนั้นบันหัดให้พระมีเมียได้เมืเ่อพิสุแล้วเรียกวิษพระมีเนียอและกินเหล้าก็ะดากินเนื้อก็ได้ เนื้อสารพัด ก, กินได้กินเหล้าเอาหัวกระดผีเป็นบาทแล้วก็มีภาษาลึกลับด้วเงินเพาะในพวกตัวเรีอกว่าสุขยาภาษาสุขยาภาษาคือภาษาสุขยาที่จะต้องแปลความหมายกันนี่นี่เป็นนิกายวามจารีเรื่องปื้อนแล้วเลิกเธ้อออกไปแล้วแล้วก็บรรดาพิสุนในนิกายวามจารีเนี่ยอยู่วัดแล้วอยู่ป่าช้านอนกับผีกระดูกผีคือมีมติกาเป็นหมอผีดีเองลักษณะเป็นข้อมด้หมอผี แล้วก็ไหวผมยาวไม่เบ่งผมไหวเยาวไว้ผยาวเอากระโดีเป็นบาทแล้วถูกภาาลีรักแล้วก็สอนให้ชาวบ้านถวายลูกสาวเป็นบแรงใครขวายลูกสาวเนเมียท่านติพทาจารเหล่านี้แล้วก็เป็นมหาปุถุชเอกอุดมทีเดียวออย่างนั้นขจ้าผนดินในความมุในในบาลาหนิยะยังายเลยอุส่าห์ถาราคิดาให้เป็นเมียแตท่านติพทาจารในกายวาจารีนี่เป็นความเลื่อนเปื่นของคุตตสักษาที่เริ่มเคลื่ยน คือพุทธศาสนาจะเสือมเนี่ยนอกจากภายนอกจะมาลุกลามแล้วไอ้ภายในมันก็เสื่อมเป็นน้องหล่นไส้ออกมาอย่างพีกเกิในกายวามจารีเกิดขึ้นนี่เป็นน้องหล่นไส้ทาให้คล้ายๆแับที่พทธเจ้าตระกาศว่าวดินดน้าดมด้งไปไม่สามารถทำลายพุทธศาสนาได้แต่ว่าพุทธบริษัทสี่นี่แหละปฏิบัติไม่สมควรจะทําจะเป็นผู้ทําลายแล้วก็พวกนี้ทำลายจริงๆคือ ว, วามจารีเนี่ยทําลายจริงๆทีเดียวเลิ ทำไม่เกิดน้อนบ่นไส้พุทธศาสนาก็ภายในก็ลมเป๊ะฟอนออกมาเต็มจนข้ามในขณะที่พุทธศาสนาเกิดวัตถิมนตรยานอันเป็นจิดเสื่อมนั้นโพวกค้ามเขาเกิดนักปราดดีๆขึ้นมาฟื้นฟูศาสนาโพวกค้ามเกิดนักกราดดีๆนักกราดที่มีชื่อเสียงของคามขึ่นว่าสังกราจาร์สังกอนสวามีรามนุทธาจารย์มาทยาจารโคศนาจารข้ามที่มีชื่อเสียงกิตที่คุณโด่งดังเนี่ย มาตรวจขันหนึ่งกติปทาวันประทุษทศคร่งครัตมีภูมิคามรู้ดีในการเผยแผ่มาตกรถาสามารถลืมหลดประาสุขันมาเลี่ยมสายได้แล้วมาพิจารณาประสงค์ในพิศาสศนหาข้างนั้นที่ทําอะไรบ้างไม่ทําอะไรอ่ะเกิดป่าวเวกมูลของขั ง, ง ท, ทําพิธีพุทธาบิเตะแกเครื่องรามประทุษตะคือมีการตั้งรูปบีเตะต่างๆนับถือบอกว่าในมหาเนรันท า, านะบอกว่ามีเทวุลูกเป็นคนที่ศักดิ์องค์หนึ่งขังนักหนาทีเดียว เรีวยว่าเทวีตาราขังนักมีพิธีเบ่งสูงบูงชาวันวันหนึ่งแล้วก็ แ, กแต่ข้าจะเจียเ่ยลงกระหม่อมกันวะเป็นพิธีกรรมใหญ่โตตอนทัศอิสลามก็บุกเข้ามาอิสลามไม่ฟังอีลาข่ายลงาจะไปรู้พอขังังไขังข้าไม่ฟังลขงะข้าจะมาลุยวัดตัวเองข้าเดียวละมาถึงจะมาลุยทุกรูปกทิ้งลุยโดดทิ้งเพราะนั้นตอนทัดอิสลามที่มีชื่อสที่สุดนั้นชื่อว่ามุฮัมมัด เปอิสลามชาวอัฟกานมฮัมหมัดอิสลาม้าวอัฟกานยกตองทับมายกองับุกอินเดียถืิเจ็ดครั้งมืออัฟชาอัฟกานเนี่ยกองทัพโดยอัฟกานบุกอินเดียติดเจ็ดครั้งแล้วก็ทุกๆครั้งนะกว่าเอาทรัพย์สมบัติเฉลยกัดตัดขาเป็นขาดการบุกอินเดียครั้งโมโหลามที่มีชื่อเสียงติดประวัติศาสตร์ที Seriously. ่ส mm. ุดมีอยู่สองครั้งครั้งหนึ่งบุกมุกนาลหรือกันยากุกช ซึ่งเป็นมศูนย์กลางแห่งอารยธรรมวัฒนธรรมของพุทธศาสนาอยู่ในรูปนามคงคาในท่ามกลางอินเดียทีเดียวเป็นมือที่พระเจ้าฮันดูบาลชนะใช้เป็นราชธานีมาก่อนการบุกเบืองเนี่ยมหมามัในทัคอิสลามคนเนี่ยวาดเอาเลยไปห้ามื่นคนไปขายเป็ น, านขาดในอัคารคนละ อ, อูปีเถลยห้าหมื่นขายไปลองอูปีชายหญิขายทอดตลาดสองอูปีเลย อีกขั้นหนึ่งบุบุตบพระิวะมนโสมนาบุบทของศาสนาพราัตมเทพโสมนานั้งเป็นเดือดทองคำแล้วก็มีปฏิมาพระสิวะเป็นบะฮมาเป็นเหล่าด้วยทองคำตูนใหญ่ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของศาสนายินดูในโสมนาในควาบุราชแม่ทัพมหมัตคนนี้ได้ยกตองทัพบุกเข้ในโส ม, มนา พวกขามตั้งหลายหลายหลายพันคนแทนที่จะสู้รบหนีเข้าไปในเทวไลรับติดเทวไลาวิงยอนจะรอให้เกิดอภินิหารมาช่วยวิงยอนให้พระสิยาตะได้อภินิหารมาช่วยกุ้งครอ ง, องเอ๋เห็นจะเห็นจะพระสิาายาเห้นจะสู้พวกอิสลามไม่ได้แน่แล้วพราะวิงยอนเข้าไหลไม่คมืนอภินิหารออกมาหนักข้าวก็ส่งขึ้นแทนบอกวข่ขอถ่ายถ่ายด้วยพลิกมือจินดาวทองคําทั้งหมดที่มีในบทนี้ ขอถ่ายโบสถอย่าให้กองทัพอิสรามอลทำลายโบสถ์น <Oğlum> ี้โลยบหามาตกล่าวท่านรับพิบูลิแกไม่ได้เพราะานรับพิู่ลิแกแล้วท่านตายแต่รัิบูลิไม่มหน้าเพื่พระอันหลาเป็นสยาพราะนั้นต้องเลอกโบนี้ต้องทำลายก็ออคำสั่งให้กองทัพจัดการลุยโบสถ์หรือไม่โค้งเองลูกพระศิวะทองคำลงมาแล้วก็ใช้อูฐสองห่ตัวพันทุกทพชรเพชรหยินจินดากัะทองคากลับไปอับขาดเนี่ยอที่สหมนตัวนะ อีกองหลื่นตัวบรรทุกทัพย์สินของวิหารโอมนาที่ส่วนได้กลับไปอพผ่านเนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมืออ่อราวๆปีพศ .1500 เนี่ยต้องอ่มือกันยาสุปชะหรือมือกะนนาซึ่งเป็นสูงการพิจารณาในอินเดียถูกคำลาี่แม่ทับคนนี้ล่าพนาศูนย์เป็นแม่มากเป็นหน้าจองไม่มีเหลือหรอหคราวนี้ใ น, ในขณะที่พรยอิสลามกำลังลุกล้ำขมาลัทธขาัมาลัทมา่มามาะอ่า แล้วมาโคตรทำอะไรอยู่บรรดาหลวงพ่อขังขังเศกคาถาบอกว่าจะใช้คาถาที่จ้องกันแห่งตระกับบาบุกเศกคาถาไล่อิตรมไลกองทัพอิตระกว้างนะบุกเตยเตยเตยยันตีซายว่าคาถาของขังใหญ่ทีเดียวพระเจ้าแผ่นดินเรียนตาลอกเชื่อถือแทนที่จะปราเตรียมกองทัพคอยต่อสู้หรือเลียกล้างความเมชีของประชาชิในการทำโรงไว้สื่อศาสนาและปะกว้างเป็นเอกรากของประเทศชาติกับไปเชื่อบรรดาพูกขังขังนี้ ก็ไปเชื่อนุนมูให้ทำดีเตเสาเตะเปล่ า, า, าลากกระสาอาคมณไล่เวทขับไล่กองทัพขา้าศึกทำไปทำมาในขณะที่บรรดาศิษย์าทั้งหลายที่ขังขั ง, ขงในนารันทาวิกรมศิลาชัคทล ะ, ะและบรรดาวัดต่างๆในมากอุดคังนั้นกำลังไล่เนี่อาคมขังอยู่กองทัพพวกนี้บุกเข้าม า, าถึงเเลยชาทหารเก่งสองร้อยคนนี่ไม่ใช่กองทัพใหญ่โตอะไรสอง้คนที่เป็นแม่ทัพที่บัคติยาทีมีีได้กองทัพสอรบุกทะลวงเข้ามาเพื่อค ข้าวทหารเอไฟเอานารันทาลาพนาสูงเอาไฟเผิกมติลาลาพนาสูงเอาไฟเผาสักขละลาพนาสูงเนี่ยแล้วก็คณะสงฆ์ที่ยังมีชีวิตเหลือหล้ยดึก็แตกกระจดกระจงหนอยีวันยีวุ่นไปกันนีกันหนาเรีตมีทางไปแล้วหนีลงทะเลกรีตมีหลายอารมเอาลุพายมาจากไหนมาลงหนีกันมามายหนีไปข้ามเขาพิมาลายข้าะไปในสิเดตไอ้ที่หนีไม่ทันก็สุกกระยชีวิตตายลา ทศกัปตาลนาจนงถูกถอนรากของโคนกันตอนในยุคนี้เองยุคนี้เกิดขึ้นใวราวพศ1700เป็นยุคสุดท้ายที่พทศกัปตาในอินเดียถูกถอนรากถอนโคนหมดแล้วทศกัปตาลนั้นเป็นเลาระยะเวลาตั้ง1700ปีซึ่งสิทธิ์จะเขีนอยู่ในอินเดียนะมีบทบาทกำลังใจชาวอินเดียเป็นเวลาถึง17ศตวรรษเลยกันก็มีอันเป็นวีบัตตุประการนี้เปรียบเหมกับเส้นไม้ใหญ่ ตอนที่จะวิบัตนะิหน่าต้นไม้ลากมันเน่าซะก่อนแก่นมันถุกซะก่อนแล้วคือชาวพุทธิทำลายตัวเองซะก่อนแล้วเนี่แต่ก็ต้นไม้ต้นนี้ยังอยู่ได้ตอนทับไทยต่างด้าวไทยต่างแดนต่างศาสนาที่มุกมาทำลายนะเหมือพายุถ้ายุเมื่อตะยุพายุอันนี้ยังไม่มาต้นไม้ต้นนี้ยังไม่ล้มเพรามันใหญ่เยอะลางมันอย่างลุกได้แต่เนื่จากลากมันเน่าแล้วแก่นมันถุกแล้วพอเจอพายุครึ่เดียวก็เลยถอนลากข อ, ข, อ ข, อ ข, อของคนทางนรกไปเลยทีเดียวหม ด, ด, ด ย้ายกลางพุทธศาสนาจิงค่อยๆ อ, อันตราเลืียนๆไปจากความเทรงจำของอินเดียร์ียเล็กทีลน้อยมีปัญหาว่าก็ทำไมเรา่าสนาพรามณ์ก็รับภัยขึ้นเยู่กับพุทธศาสนาเนี่ยทำไมศาสนาพามยังทำวงอยู่ได้ทำไมพุทธศาสนาริงทำวงๆอยู่ไม่ได้เพราะอะไรปัญหา น, นี้แหละนักปฏิบัติแอบติดคิกกันนักเดียรเพราะอะไร คนอี่ก็ต้อทำความเข้าใจว่าผู้ตาดสนานั้นขึ้นอยู่กับสถาบันคณะสงฆ์นะที่ถ้าสงฆ์นี่เป็นนักเป็นที่มีหน้าที่คำลงตัดสนาดูเป็นสถาบันอันหนึ่งบรรดาชาวบ้านที่นับถือพุดหนนมากกว่าที่จะหาเป็นทูี่ยังรื้ตักนับู้ติดแชร็กนี่มีจนนน้อยแพส่วนมากต้องาละนกนการคอาขีไม่มีเวลาเรยนศึกษาคำวีและลึซึ้งในศาสนาตัวเท่าไหร่ก็นับสวนมากประชาชนก็ควนใหญ่จะนับถือแบบนี้ว่า นับถือตามบรรพบุรุษต่อๆกันมาเพราะฉะนั้นคณะเสาาือจิวเป็นสายหลูกที่ต่ศาสนาประตูต่างาศาสนาที่จะ ม, มาทำลายน่ะเขาจับสายหลูกเช่นนี้ถูกอยากจะทำลายคณะเสงอจิ๋วแล้วแตกนับทุกจิูวไม่ได้ชาว้านมาา ไ, รรไม่รู้อยู่ศาสนาอะไรกทิ่เลยไม่รู้ผู้ธตศาสนาเป็นาศาสนาที่มีคำภีมากมาย่ายกองรายชีวิอัตถาดีกามากมายโอ้บอกว่าแม้ชีวิตของเราชีวิตเดียวก็ยังถึงสามไมจบ จรพังคำพีในพุทศาสนานี่เพราะเป็นศาสนาของปัญญาชนอู่ที่ศานาปัญญาจนแล้วก็มีไอ้ลืมที่จะให้ลืมคือปัญญามากมายไปเทศนาศาสนาง่ายๆที่มีหนังสือสองปุ้มก็จบอันนี้ไม่ใช่ศาสนปัญญาจนอันนี้พูดสองคำก็บ่เรื่องแล้วพักลืเชื่อมากอย่าอย่าสงสัยจบหลักศาสนาองคพระพุทธอคําีคำยาแบบนี้มากมายสิดสํารวจชีวิตจะสํารวจไม่จัจบมีพูดที่ขันธะไม่ไม่พูที่ติดสารวจในแง่ปฏิบัตินะในแง่ขันธะุระตลอดีวก็สํารวจไม่จบในแี่ เืียงแต่นี้กายเคล่นว่ามีกายอย่ตลอดที่นี่ติาไม่จบอย่ว่ามีกายมหายากันมีกายสังไรติดกูกายเลยนี้เกิดมาตายแล้วใหม่สังไรหลายหลายชาติเขารียนศึกษาจบนี่ยเพนั้นหน้าที่ของข้าก็คือว่าเรียนในีง่คันตะวันและอาจารย์รู้ะเผยแผ่ประชาบาตต้องมุ่งพระเองทเจัวด้วยที่เติมเต็มองตั้งแต่เกิดตถิบุญรจย่างขึ้นมาแล้วเรียนศึกษาแล้วอันน่าเป็นหจารท์ขังกันดีกว่านี่ยอามารย์รู้ข้าก็คือโน่นลงน้อยลงน้อยลง อาจารย์ขงังจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นการรูนน้จะทงปริญญาที่จะปลแพลที่จะชี้ใจชาบ้านในเข้าใจธรรมะถูกต้องค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปนี่เมื่อหมดไปหมดไปอย่างนี้กองทัพต่างศาสนาไทายต่างด้าวที่บุกเข้ามาถึงข้าไม่ฆ่าสงบวตรใครบวชข้าเงเลยคณะสงฆ์บุรไม่ได้ เ, เจ้เจ้าในระยชั่วสองสามชั่วคนแรกชาบ้านที่ยังปู่ย่าตายายายังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นชาพุดธเคร่งคัดไปอยู่ถึงม้จะถื บังคับให้ถึงต่างศาสนาแต่จิตใจยังเป็นชาวพูทอยู่ยังแอ บ, บนับถือเงียบในใจแต่พอมาถึงหนักษามสี่ชั่วคนหมดแล้วเราไม่มีเขาสึงไม่มีผู้ฟังสอนผู้ถือแพ่หลคัคํานี่แต่คาที่อ่านก็ไม่เข้าใจความหมายอันลึกซึ้อเนี่ยายีอ่านไม่เข้าใจแล้วคำพิเศ์สมัยมก่อนเนาะเขาไปเจอแค่หลายอย่างเดียวดีจะไปพิมพ์มาถึงคำพันเรื่องห่งเรื่องหรือเจ้าไปใบาลานโดยมาก่็ ว, วัดอยู่เป็นทีเจเป็นศกลางเจวคำพิีคำพิีศษระายไปหมด ในที่กรายสนามไม่เคยเก็บตามบ้านวัดสบอร์อรอตาาตามบ้านของคุณเลยเพราะมีลูกแแคหลา ย, ยาา ต, าต่วัดกิจการพระตระมิอดกคดขัดยานหาได้ยากเกินต้องเป็นวัดใหญ่ๆห่วัดและเกล็ดก่อํตาตระมดกไม่ได้ต้องเาสายคัดก่ออมากันลุเกินเพราะนั้นวัดลุกทำลายทำฟรีร่วงวิบัติแล้วถ้าถูกทาลายผู้ขายทอดจะมีวิบัติเมื่อเนเช่นนี้ชาวบ้านที่เมืองยังเป็นชาวพุทธอยู่<ะ>ก็สามารถรับถือพุทธได้เพียงระยะชีวิต ของปู่ย่าตายายของทัวงั่วคนชั่ทวที่สามช่วที่สี่ลืมโฆษณาแล้วกลืนตัวเองเป็นดิน ด, ด, ดูใจหรือไมช่นนั้นก็เปอิสลามไปโฆษณาจือหนึที่จับอินเดียด้วยการชนิดในาศาสนาครามเราทำไมเขาไม่เต็งศาสนาครามนั้นเป็นาศานนนสาศานาที่มีมาก่อโฆษณาช า, าบ้านตัวใหญ่ในสมัยแม่คิดการเองาศาสนาครามก็เป็นรับจำกระทำประเนน้อยที่สุดแมในสมัยคิการเอง ไม่มีาน า, นาใหม่าศาสนาในอเดีที่ทำลายคาบแล้วเพราะว่ า, าศานาพรามมนณะ์จกกับตัวเองเป็นวัฒนธนรรมของชาวอินเดียส่วนใหแล้วแล้วพวกความเขาไม่เคยเอาใจนักบวดอย่างพวกศาสนาการยุ่งผูนนะ้พราหมณ์พราหมณ์ขันหัดเยอะแยะความณ์ขัหัดตถดตัง้งครอบครัวพมานาชินเป็นกติกาเป็นความวิเศษ ต, ต่างๆพวกนี้เยอะแยะไปพวกควาหมณ์ัหัดเหล่านี้เขาก็เป็นผูปพนนามณาเวทเรียนรู้เทวะไ แล้วก็ยานนี้เขาเแเป็นในหมวงศกุลคือว่าถ้าทามว่าลูกทางบ้านเมือง้าแม่เแผ่ไปที่สาธารณะเขาก็เผยแผ่ในหมู่กหลานครับจากพ้อไปสี่ลกจากลูกไปสูหลานเขาสู่้ายกตักันแบบนี้ถ้าความความขรึมขันนี้อยู่เดียวกันได้ินคามนี้มันนักเลื้อยหน้าถึงไม่จะลูกกันอยไมแปลกเขาก็เตรียมเพ่เป็นความครึันได้เตรีเพ่เป็นความครึมันไ ม, นม่มีมเที่แตต่งางแต่ขามันป็น เ, เท่าไรเ่รียมข้ามตะพุกตสน า, ษ า, ษา เป็นข้ามีเป็นจุดเดนในมุายตาของาวบาทที่จะเห็นว่ออนี่เป็นข e ้าเป็นกระด็นข sí ้ามย่า <min> ีอะไรเปจุดเด่นข้ามเขื่อนก็แต่งเป็น่กระเบีเป็นกระสีขาวถูสะบยสีขาวกาบวยค้ามมัหนูเป็นนุ่งแบบนี้เออเหมือกันหเพราะั้นก็จักดินกระลาศดาน่าจเดนเป็นขามทางไปลาดดาษชาบ้านเป็นขามขามเป็นาวบ้านตรามาคมักล้าอยู่ได้อย่างนี้คือที่ผ่านมาไม่ยังนะาอาุกติดเป็นเขืนหรใอตับิโดไมีการจุดาบุ เอาเงื่อนทกคนรู้จักุกคนคือใครั้นตที่ขั้งหนึ่งศาสตร์น้ำทงศาตนาที่ยินงใหญ่ี่อินเดียแต่ะรยะเปนแต่สัตเปตนๆนะครับเม่ครเียกบบทุกภาคคือใครใครจะรีบจนบ้างก็ยงจีเป็นาสนาถึงเก่าแต่ถึงตายจะได้แต่ความเป็นจำนะไอ้จนกระทั่งสมัยอันษปกครองอินเดียอันิษย์สร้างคุ้มคุณแต่แต่พาทุกในการสร้างศาสนาขึ้นใหม่อ้าคนโบราณกดีร่วมกัน คือว่านายท่านเอกคนหนึ่งเป็นนักบบราณคดีชอบดูดคุยโุราณวัตถุในพุทธาสนานายท่านเอกคนนี้เป็นขุดโบราณวิธานขุดหลาตะคริขุดในพุตกาลยาแล้วก็ขุดที่สาระแล้วเอามาเขียนรายงานทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ทันทีก็เกิดการตื่นตัวว่าโอ้ของครั้งหนึ่งศาสนาพุทธเคยเป็นศาสนาที่ใหญ่โตในเอเดียวแล้ว เหการณ์ตื้นตูนศาสนาได้เกิดขึ้นเมืม่อมุนสกภวัตมาแล้วในอินเดียอาภีข้อที่หนาเขาเก็บอยู่อันหนึ่งคือว่าพร้อมกับการตืนตูนของพุทธศาสนาเอเกราชษอินเดียก็พิบัติอันนี้ตลาดมากแล้วแพรงกับการตื้นตูนที่ศาสนานั้นเอเกลักษณอินเดียก็กลับคืนคงขึ้นมานี่ระหนึ่งจะเป็นมิิจฉาทกจักรคือหลังจากอินเดีย พิ้นตระากาศหนาไปแล้วอินเดีเข้าสู่ยุยกธูิดกริยุทธ์ลุ่กันเองกระั่งอิตราเอลจางติดไประยะนั้นตั้งแต่พศ1700ถึงพศ2200ระยะนี้เป็นระย ะ, ะที่อิราเอลจึอิสลามตัง้งวินปุกของอินเดียแล้วกองกำลังอินเียที่มีอิตราลบุกของอินเดียคือวมืนว่น้นตั้งมุ่งห่งที่ดูอ่าตั้งตั้งทังทีหน ภายในการเปรียบเทียรความฝันป่วนึงเกิดลขึ้นระหว่างฮินดูกับอิสลามอิสลามกติกเนี่ยโดยการลุกขึ้นชุครามตากสงาก็เกิดฮินดูก็พยายามต่อต้านกระแสอิสลามนี่ยลุกขึ้นที่มีชื่อสีงระหว่างฮินดูกับอิสลามคือการลุกระหว่างพระเจ้าออรังเซ่กับอิสรามแห่มกุลกับพระเจ้าติยาจูกับอิดลามแห่งโมหาราเปียพาดตปเป็นการลุกอย่างคุ้งเทกำลังมหาศาลระหว่างสองศาสนาเนี่ยแล้วระหว่างพระเจ้าออรังเซ่กับติ๊ก ก็เกิดรบขึ้นกันอย่างมหาศาลขณะที่เอาลูกพาทผ่นดินไปเดียการทำสงครามศาสนาเมื่อเกิดการต่อสู้เมืี้สงครามภายในอย่างนี้บรรดาบ้านมึงทางภายทะเลอันติดลงจัดอินเียตะวันออกอังกิษตั้งติดต้องมาตั้งแย่งหาเงนขึ้นนบริเวณฝั่งทะเลแล้วก็ขยคือคลางของอินเดียเล็กน้อยเจ้าแขกรถกันสองินอินเดียถือหางเจ้าอีหนึ่งรถก็อยกหนึนะก็ อังกฤษพื้นหานเจ้าองค์หนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งยุทชนะแล้วค็วเรียกอภิสิทธซึ่งจาเรียกค่าตอบแทนทุนที่ดินแล้วก็สั้งต่อขึ้ข้าไม่ให้ผลิววกตกเจาองค์งนั้นเพราะงั้นเจ้าแขกตกันอังกฤษจึงมีที่สามก็ได้สาาดาียปลาทันเรีนเข้ามาเลือหนักข้าเลยุทั้งประเทศเลยจึ ง, ง, งมีขึ้นในจิตทั้งประเทศจึเียายใหญ่ขอ ง, องอังกฤษสั้ง2ุทธศากกัข้าแต่สุดท้ายมนขึ้นยนตาตุนของอังกฤษ อยูย่เป็นมุงขึ้นเรือ่องศสลี่นตอร์สาุวัดเรื่องกิจขอาอินเดียสามมิรุตั้งแต่ปลายอยุทยาของเราีแหละเรื่มาคุงจะได้เอกลักษเพื่องครามโงคามโูกคั้งที่สองโลกเนี่ยได้แล้วตอนตอนหน้านี้ตอนหน้าจะได้เอกลักตอนหน้าุงคามโลกครั้งที่สองคือเมื่มอหนึ่งัปดา์ทแล้วมาได้เกิดขบวนการสองขบวนการอินเดียขบวนการหนึ่งเป็นขบวนการู้อิราเอลซึ่งตั้งขึ้นดีมากอาตมาขันที อีกขบวนการหนึ่งเป็นขบวนการซิ้นสุดพุทธศาสนาซึ่งตั้งขึ้นโด้ท่านอนาคาริกาธรรมบาละเทวังกาที่เข้าไปใช้หนี้คุณกัอินเดียคือโดยพุทาศาสนาทุกอินเดียแต่ขบวนการนี้ทำงานลาวกันชนะกันแต่สุดแล้วเมื่ออินเดียได้เอกลักษณ์าสนาพุทธกลับคืนขี่ปมาใหม่อันนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อพุทธศาสนาถอยไปเอกราชษณ์ที่ท่าสวิบัติเมื่อพุทธศาสนากลับคืนมาเอกราชษณ์ทีท่าจับตื้นตูอันนี้ ตามที่พอนาคารินาราลักุนจากมาพุทธในอินเดียสำเร็จนั้นก็ อ, อาศัยแรงกระตุ้นจากหลายด้านดดียกันคือว่าพวกกุดด ม, มาราคาดิอังกฤษโดยขุดวักโบราณวาตกรราจากใต้พื้นดินขึ้นมาประกาศที่ฮอกกูว่าพระนัทธุทธเคยมีฐานะองคัญอย่างในอินเดียอันนี้ทำให้ชาวอินเดียที่เจาของประเทศเกิดการตื่ตัวอยากจะศึกษาวามเป็นน้งศาสนานี้เมือ่อศึกษาไปแล้ว ก็เกิความจับติดจับใจในหลักในหลักธรรมคำาั่งสอนหันมารับถือวิสาสะนาแต่ว่าที่หันมารับถือวิสาสะนานั้นมีเป็นส่วนน้อยเพราะโดมากเป็น่วกที่คนปัญญาชนที่ท่า น, นั้นเองทงคุ้นค่าของศาสนาพุทธ้าบ้านคนใดญ่รู้ว่าวิสาสะนาคืออะไรยังไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ก็ต้องรอเวลาแล้วก็ต้องท่านธรรมทาละมาตั้งสมาธิมาหาถูที่ขึ้นที่กระตากตาเื่อุทิศวิานพาพือจะคลังแหล การที่พระตาล่ามาตั้งสมาคมหมาตัวที่มีกระดูกตาขึ้นนั้นท่านก็บปกทิศละยังมหาสอนท่านเองเป็นดุจเป็ีชาวลังกาแต่แอบไล่ได้ทนายความทางกฤษท่านหนึ่งแล้วก็ประกาศถืออมจาตลอดชีวิตจาริกเป็นอนาคาริกะหรือแผ่ศาสนาตุ๊บเดินทางไปอินเดียไปไหว้ผู้จักรยาที่สุนมหาสีมหาโัวที่และณ็หลังจากกราวเป็นสีหมาตัวที่นั่นท่านบอกว่า คล้ายๆจะมีสิ่งโดนใจมาบอกเ่าัแบบว่าทัมปาล่าอ๋ที่นี่น่ะเป็นพิทสัพพรูผมราะว่ตพระเองนทรนะให้ทัมปาล่าไอ้เจ้าเนี่ยรู้สู้ศาสนาที่ตัดติ์แข่งนี่ให้กลับมาเป็นของชาตทุกตามเดิมเถอะท่านทัมปาลําทำปปิญาณทีฐานที่หน้าพระศีลมหาสงฆิเจ็ดครั้งจุดวาระฟ้าบานตัวว่าจะเอาชีวิตเป็นศาสนาตีทางานรู้สู้ศสนาทีตะนเดียแล้วก็ เอาเงินหมดทุกท่านที่รับมาจากดาเนี่ยขายทอดตลาดเอาเงินมาสร้างสมาคมสร้างองค์การสมาคมหมาปุ่ที่ท่านเองมดด้วยเงเียเลยบริษัททที่ได้จากทางบิดาเนี่ยทุ่งเทในการสร้างสมาคมหมาปุ่ที่หมดออการิษัที่ตัวสานัในอินเดียฉบับแรกได้ชื่อว่าหมาปุ่ที่อานุออกขึ้นมาปัจจุบันนี้เป็นบริาัหรือผับนทุกที่ยุยืนมากเกว่าปีแล้วนะครับบริษฉบับนี้อายุยืนถึงวัดนี้7จกปีแล้ว วารสารับับนี้ผือแฉเป็นภาษาฝรังเศสท่านอตาลเป็นมานาการเองเขียนบทความเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้แก่ปัญญาชนชาวินเดียตระหนักถึงคุา่าหรณ์ศัสนาพุทธทำให้ชาวินเดียที่เป็นพวกนักาษาตเกิดการหืนตัวแล้วก็สนใจในาาศาสนาพุทธพื่ารารฉบับนี้แล้วก็ผู้แฉเป็นดิโล อ, อเมริกาด้วยต่อมาท่านมตัวแล้วท่านเลว่ า, นนาการ น, นัดนจากใครเลยเอาวามรของท่านมาตีแผเพื่แพ่เแล้วที่จะไปตั้ง สร้างวัดพุทธศานาวัดแรกในอินเดียก็ยังมีรุงจะสร้าว่าทำมอินเดียจะให้เนื้อที่ที่สาระหน้าที่นาเมรุกษัติยวังให้่นสร้างวัดแล้วั่านสร้างวัดสาเร็จแล้มาตรดจุดขออินเดียอยู่จะให้ส่วนพระบรมธาตุแท้จริงของพระุทธองค์ที่คุ้ครได้ที่แท้ตากตมีรักให้ท่านได้ให้ทาสร้างวัดขึ้นในวัดแรกไปทศานาในอินเดียท่านเองรู้จะเอาเงินคุณลงที่ไหนมาสร้างไปเรี่รายใครคนก็เกอียมากไม่ใครสนใจเท่าไหร่เวลาน ทรงสามาเมืองไทยส uh. so ังครั้งนะแต่ชดวังจากเมืองไทยไปมาสมัยมารัชกาลที่หครั้งหนึ่งมาสมัยพระจุก9ก้าครั้งหนึ่งมาเมืองไทยเนี่ยอ๋อมาสามใช่ไครับอีกครั้งมาลัทธิกันทมาลับธิเอียงแดงข่าบิรุษมาธจากกษัตราย์ที่ห้าส่วนที่ไปประจุที่บุคคลอง่ะส่วนนี้เวลารัชกาลิี่ห้าได้ส่วนนี้มาจากรษัตริลอังกฤษที่อินเดียขยายแล้วก็จูงกระกาษจะว่าอาพุตานาธา ก็ยังดีจะบ่งสกวนพระธาตให้ที่แทนชาวพุทธีปูนเอวยชาวลังกาเอยชาวอินเดียพม่าเอวยเดินทางมารับส่วนแบ่งท่านพระตาลอุรานั้นมาเมืองไทยอายุสามปิดปรตองค่อิเดียมาเมืองไทยมากับคณะส่วนลังกาเดินทางมาเมืองไทยบริหารนิหารรับส่วนแบ่งพระบรมธาตนี้และต่อมาภายหลังจะมายี่สองครั้งมาเพื่อเรียลัยเงินทองชาวพุทธเมืองไทยไปสร้างวัดรุ่นสู่จากนับพุทธอินเดียแต่ปิดหยงชาวพุทธเมืองไทยไม่สนใจไม่ใชไทยเลยปิดหลังจากเมืองไทย ท่านไปได้รับรารสมหวังในญี่ปุ่นกัปในพม่าถ้านญี่ปุ่นวิ่งเต้นเืลายชาพทุกป็นการมหาศาลต้องช่วยท่านพระบาราเพราะว่าเราท่านกำลังจะช่วยฟูตอบนาพุทธในดินแดนปิตุูของพระพุทธองค์ือท่านพระพม่าวิ่งเต้นช่วยท่านเพราะดยเงินหลายแสนลปีแต่สาก็ไม่พอจะไปตั้งวัดมูลคันนาดีวิหารจะไปตั้งฝาขามหาปูทิสมาอจะไปตั้งอินเรือนสาหรับเด็กเยาวชนาพุทธ จะไปเจ้าโรงพยาบาลส่งข้อให้นามเขาพูดกระต๊อปกนาทำ ง, งานแบบนี้มันต้องมีเงินบา้งหลายล้านไม่ใช่ัูปแสนร่ปแสามันขอทําหรอกจะทํายังไงล่ะเขาจะเลี้งงงยงหลื่งอย่างบ้างก็จะแยกให้ท้านอีบอกว่าข้าพเจ้าธรรมตาลในชีวิตนี้อย่ยางหพิธเป็นกับพระรัตน์ไปแล้วหมดตัวแล้วว น, น้ก็ได้ไมาเกิดในดาวสีดาต้องไปอตลาดเอางเงินมาสร้างสมาคมมาโพทิศ เวลานี้ก็มีแต่ชีวิตกำลังใจแตะกำลังปัญญาที่จะรับใไปแต่เข้าซึ่งอับจนแล้วเติมถ้าอากว่ามีเศษยาดาสมาธิจิที่เป็นทุกก็ัะทุกต์จมากรมีออยู่นะมีธรรมตาระเอวาเอวารักกิเลสธรรมตาละพระโพธิสัตว์ที่ยังสร้างบารมีังมอยู่ขอให้โสดรลบรูในอุปตรคชิ้นนี้และขอช่วยแก้อุปสรรคชิ้นนี้ให้แ่ข้าเจ้าด้วยเถิตั้งศิษย์ปฏาณถ่าอย่างนั้นังเออนแลเตินจรับเทินจิหมายจาก มารีมาประชุมศาสนาแห่งอเมริกาเชิญท่านเป็นชาวในฐานะผู้แทนชาวผู้เอเชียเดินทางไปอเมริกราในหัวข้อศาสนาพุทธในที่ประชุมสาภาศานสาานาแห่งชาติานาคาตหรือที่โอที่ชคาโกนอเมริกาท่านจะเดินทางไปเวลานั้นาอายุ36ปีเดินทางไปเนี่ยท่านทาน่ทาอยผมยาวหลักบานะเนอาณาคาริสไม่ตวงผมหัวยาวผมยาวมุ้บผมผ้าสีจมตกอ่อนสลผมแบบมุ้งจุ นุ่งกรโดตเต็มป็นแปดถึงถึงหงษาเดินทางไปเดินทางไปกับผู้แทนจับไม้ยินดูสวามีมีใการบรรพกคนเดินทางไปแทนจับไมในเอเชียคู่มืองกผู้แทนยินดูทางนี้ผู้แุยเดินทางไปเอไปถึงที่มูลนิิการโกก่อนนาจะถึงเือได้มาแวะที่ลนั้นดนมีนั่งเรือไปรือดนไม่เกิดเรือไปแวะที่อ่าเขาูที่หาาย ก็เออในฮอลลูนี่มีศิลปินอเมริกันคนหนึ่งชื่อนางมิสซิสซิปีฟ็อบเบอร์เป็นศิลปิม้มามรรุกมีเยอะแยะข้อนางเป็นชื่อของเจ้าของนครฮอลลูต่อนนลูนลูนรู้มากนางฟัน ต, ตุ้มอกตุ้มใจเป็นคนโูดสะกสริกท่ตบบาที่ยวกาชนหาจักรติคในตากนาขึ้นาททาามาแต้โัแกมเมตุทายังไง รู้ข่าวว่ามีผู้แทนนานาศาสนาบนเรือที่ข่าเรือนางก็ลองแวะลงมาดูสิว่ะจะมาขอคติธรรจากเป็ผู้แทนนานาศาสนาเหล่านี้มาใช้ปิบัติิจะได้ผลไหมนางก็มาหาธนาตาละแต่่านาตาะี่ผู้ใช้ศาสนาผู้ใช่ไหมแต่ว่าใ ช, าาาาชา่นางก็เล่าจะได้ใจในใจในฝังว่ามีการทุกอยู่อย่างนี้แหละท่านปาตาละไม่ใช่เวลาเท็จตนคือโมงกับนางมีกีพเติรแล้วที่กีพเอร แล้นางก็ไปปฏิบัติตามคําที่ท่านสอนไม่ช้าอารมณ์ที่เ ก, ก ล, ล, ลี้ยกราดมความุ่งัะในใจก็หายไปนางก็เรื่องใจพุทธาสนาละเออปฏิบัติตามธรรมะไม่ผลมาขอรับถิ่นห้าจากพโนบาละเป็นอุณาสิตาอเมริกันคุแรกอุณาสิกาอเมริกันคุแรกที่ถึงพระนภาไกรแล้วนางก็ไปภาวนากับพระมาตาละนะรู้ความเป็นไัทามาตาระแล้วก็เห็นใจภาวนาแต่ว่าเวลานี้นะ่ะนางไม่มีลูก ให้ท่านนาตาถึงว่านางเป็นแม่ก็แล้วกันเป็นยุบาท่านกนนอย่าเกลใจถ้านกอจาพูดคุยทุกขศรัาในอินเดียแล้วขาดหรอเงินองะไรอยาืจะให้บอกนางนั่งยินีจ้ทแทนบุญคุณที่สาตาราชักวให้นางทแสงสว่างเนี่ยทั้งหมดนาตาก็รู้ใจออกกัดจากเสร็จงานประชุมครั้งนี้แล้วนำงอีจาเซ่ทุิเนสองแสนหนึ่งีให้เป็นชิ้นแบกแล้วก็ทยอยให้เงินลือกีละห้ามนปีสองหปี สรงใจให้ขันธมาราชา่ะสร้างขวาขามหาตูที่สมาธุแล้วก็ a. สร้างวัดวัดแรกพุตปราทนนิาระาคือวัดมูลคันตะุดีวดิหารซึ่งเป็นวัดพี่ประศนมาวัดแรกหลังจากที่ปันิสาคพุทธถูกทลายไปแล้ว8ตกแล้วสึเป็นเต็นวัดนี้ได้สร้างขึ้นแล้วที่บูลคันุดีว่ตะคันูดีวิหารแล้วก็มีมวลคณะสงฆ์จากกลังกลามาปลุกพักตปีมาที่วัดนี้แล้วหน้าคนแรกที่มาที่วัดนี้คือพมรตาวะเอง เมื่าตอนนยี่สิบปกว่าแล้วถึงปฏิบัตมาไวแล้วตอนนี้เมื่อเมื่อแล้วท่านก็ตายที่นี่ตายในบริเวณนี้ตอนจะตายท่านบอกว่าปฏิบัอาจารย์ท่านเอาาลานะท่านบอกว่าขอให้พระพุทธเจ้าตายโลเบก็พระพเจ้าไม่สามารถจะตึงต่อยความเจ็บโวดที่คารู้ทายที่เบียดเบียนได้อีกแล้วตาแล้วพระพเจ้าเกิดใหม่ให้เกิดใหม่อีกนี่สิบ้าครั้งคือประกาศะธรรมของพระพุทธเจ้าและท่านก็ติดใจ ในพ้ะญ า, นาติปฏิบัติธรรมาราแบบนี้เราจึงไม่มีข้อกังคขาเลยว่าท่านจะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติแน่ปฏิบัติแบบนี้ท่านทํางานช่วยทัง้งคม ท, ท, ทํางานช่วยกับพระบาทสลากความเห็นแต่ตัวตลากคามตกทั้งท่าที่มีลูกเป็นลูกเศรษฐีมีดีกรีเป็นนายจากอังกฤษชั้นหนึ่งท่านจะต้องแข่งขันกับยศขี่เสียงเงินทองมีคร้าหมดแต่ท่านกับสลากคามตุกเหล่านี้ออกมาเป็นอนาคาริกา จเจ้าผู้ถ่ายศาสนาก็ะทั่งสามารถคื้นครูตศารัาพวกในอินเดียวยางรากสารศาสนาพวกในอินเดียเป็นตุกผัน ม, มั่นคุปจนปราบเท่าเท่าทุกวันนี้ว่าอีกที่่ที่เราคืรจะปอบคุณท่านคือท่านอุบาติกาแมรี่อินซีอซอสโซชาวอาเมริกันซึ่งเป็นดูงอุปถัมภ์ของท่านเดวิดกาลังตัดมาหาศาลให้ท่านเป็นกาลังใจของท่านในการเรียช่วท่านคุืครองศาสอนาในอินเดียนี่ะครับ สองุคคลสองบุกของคันนี้จึงเป็นอมตารบุคคลในกวาริตาทีระดับสนามเป็นอาณาจักรเมื่อตีกายนี้ตดยชาพุกในอินเดียได้จัดงานฉลองวันเกิดครุฑร้ายตีกันโนบาระตีกายนี้พร้อมกับงานประชุมเบอรสนุกทิตบุริษัทส่คนการทุกศาสนิกีรับพนแห่งโลกนี่จัดงานนี้พร้อมกันไปด้วย ดีจิอัน น, อนนี้สำคัญมากวามจริงอย่างคุณท่านธรรมปาระเนี่ยชาวพุทธประเทศคนดึงสร้างอนุสรณ์วิห้รขนะึ้นนะอย่างอย่างคนอย่างนี้หาไม่ได้แล้วในเทศบาลธนาเรามีคนนี้อีกสักยีสิบคนเนี่ยต้อกนักทุกขเกิดทะเลทุ่งเลยมีคนนี้มาต้องมาเพียงย่สิบคนก็ออมีความเชี่ยตชาญอย่างนี้มีความรู้ดีอย่างนี้มีกลังใจที่แข็งแกร่งอย่างนี้เทศาน า, าจะตแครล้าได้ื่่งอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วก็ จะมีใครมีน้ำใจเห็นประโยชน์ในการเผยแผ่ศาสนาอย่างนางแมรี่อีตีออสโต้เน่เพียงสักสิบคนบก็พอแล้วที่มีฐานะกำลังพัฒน์อย่างนางแ m รี่อีติออสโต้ในเมืองไทยเรามียังไม่หาไม่เจอ็หาต็ตะมนีคนใดที่มีิตใจอย่างนี้เลยหาไม่พบเลยในด้วยีนาหนะาไมพบี่อุบากาในเมืองไทยเราจะมีใครนาะที่ร่ำรวยเงินแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ในการเ้ยแผ่ศาสนามีความจิตลอย่างนางแมรี่อ e. ีตีสโมีมั่งหรือปล่าหรือใ ห, อหอม่ครับ ไม่ได้เคยไปยืนเลยอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้หาไม่พบเนี่ยอาภั พ, พและตัวเมึองใครเราเนี่ยปัญหาอุบาสิการอย่างนี้มากไม่ได้ถ้าหาได้บ้างเราก็ตอนนี้ศับนาะจะต้องโจริญก้าวหน้ายิ่งกว่านี้ทั้งทั้งที่คนอุบาสิการในเมึองไทยที่นี้อย่างอินีเปอร์สนี้รู้จักกับนี้ไม่ใช่นี้รู้ด้วยความนีอมอมอม้อ่าเมือ่อคุณศาสนากับพู่งขึ้มาในอินเดียในตอนนี้เหตุการสําคัญก็เกิดขึ้ น, นคืออินเด้รับเอกลา ได้รับเอกรากแล้วเหตุการณ์การพิจารณ์ตีคือแถว25ปฏิวัติก็มาบรรจบถึงทั้งๆที่รัฐบาลอินเดียได้ยกแยกศาสนาใดศาสนาหนึ่งคือมีศาสนาประจำชาตแต่รัฐบาลอินเดียก็ต้องตั้งนประมาณในการฉลอง25พิศษปฏิวัติแค่อะไรและบัณฑิตเอรูได้กล่าวแล้วบอกว่าขั้นตอนนั้นเป็นอภิชาติบุตรของอินเดียไม่นี่ครับ ชาอิเดียคนตดรขดขืนตะมันตกหนักหรืออะไรกิดะนั้นเจตพิยสุสุชิงฆ่าอินเดียมากเขับท่านสุข้าเราไม่ฉะอลงวันทีขันทัานตรงนี้แล้วเรจะไปแยวงวันทุกขันของใครเออบันฑิตไอรู้ว่าอย่างนี้เราบัณฑิรู้แต่ว่าเขาเเจ้าม่ักถือศาสนาใดในโลกข้างนั้นบัณไมรู้จะว่านะแต่ถ้านี้ความจำเป็นให้ข้าพเจ้ามักถือศาสนาแล้วข้าพเจ้าขอเลือกนักถือที่จะตาสนาบัณฑิตไม่รจะว่าอยารก็มองตานาแล้ว แต่ถ้ามีการจำเปนงจะัดถือศาสนาแล้วกะจะหนอาทีศาสนานี่และเจ้า่างใจเลเพราะนั้นรัฐบาลอินเดียสมมุเประมาณผ่านรถรกัปตัาอินเดียถ้าจะรกัปตันอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าโลกกัสตานะก็ผมแลอินเดียเป็นเพืใหญ่คู่แทนตั้งสาแล้วกว่าตัวโลกกัสนมีเสียงค้างเลยม่ต่เสียงนึ่เอเจคันน้องมาติดหมดเพราะเพรู่แทนในสภาผู้แทอินเดียเน่ะไม่มีครเท่ากันแม like no, ้แต่คนมีดินดุริยางกลางจติดสามร้อกว่า ถ้าทไเหล่านี้แกคนนั่นมติล่ะยอมแล้วต่พระเจ้าน่ะเป็นผู้นำผูุเป็นู้อันยิ่งให่มให้กันเเดียวยอมข้อนี้ถ้าไม่ล้งกับท่านผู้นี้จะฉลองวันเกิดใครนี่ถ้าไม่ลมันกิดท่านผู้นี้แล้วท่านผู้นี้จะอะไรมาจุดบางจังดีจังาลท่านผู้นี้มีทางอีกแล้วประวัติศาสตร์ในอดีตวัฒนธรรมอารยธรรมกรบดูกประเพณีวัชิกรสั่งสอนและประชากรยึถือพองค์ข่านี้มากมายว่าเนีึงเป็นจิตจุไม่ฉล้งอะไรเงี้ยแเอาหน้าไว้ไหนอ่ะเพราะฉะนั้น เอาแททั้งทั้ ง, งที่ไม่มีพุดเลยแม้แต่คนหนึ่งฐานมติดเป็นเอกฉันฉลองทีจะเียนตีแล้วไม่ได้ฉลองถึงสวันอย now, right vens, toget, ่างมือเรานะฉลองหนึ่งตีเต็มเต็มมาหลตีเลยเพราะอินเดียเป็นประเทศใหญ่มากต้องฉลองกันทุกมือทุกทุกมือทุกทุกัือทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทกทจบทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกกทุให้ดีขึ้น มองสายไฟสร้างธรรมจาราต่อหน้าตากล้ากไปแล้วก็ปื น, นตูดล็อกโบรานต่างๆให้พุ้นมาจากกักอีกกัดูืนแล้วก็ทิ้งตนัเสือเ่อพุ่นศิคย์พุณพระพุทธคุณให้ชื่อว่า2อง0ันห้าปีแห่งพุทธศาสนาลุ่มน้ำเมืองหินเดียประธานประธานาธิบดีราพาัฒน์จิจนานคำนดยมีพุทธคุณแล้วก็เขินแทนานานชาติโกิรชัพุธมาประชุที่อินเดีย โตดการสํมมันตนาเท่าพูนอิทธิคุณทุกข้าวโรคการต่างๆจากผู้แทนนานาอาทำไปงอนไหวโตมากโอ้กลินเรียงแต่เสียงพุทธคำประนากระทานี้ังลังต้องไปหมดทุกทุกทนทุกแห่งและอ้อมอ้อมแตบการแข่งขันพิยันตีนั่นมีจะมยินดูก็แะร้งวันถิจาเนาะจะม่ยินดีนะแด่มีผู้นาขบวนการชาติคนใหม่คือดัเอร์อัมเบก้าดเอร์อัมเบก้าลีเคนเกิดในวันหน้า เป็นด็อกเตอร์บุคลิกบันติสักองเก็ปริญญาและเป็นผู้ที่ล่างรัฐมนตรอินเดียเป็นรามาโตยุติทรรอินเดียคนแรกหลังจากอินเดีเอกลาชเป็นผู้ที่รู้กฎหมายเมรองเอกลาชจากอังกฤษอเมริกาโดยมีสลิูแล้วก็มากัดใจนักถือพุกธศาสนานำลูกงลูกน้องงกกันนตู20ล้านอินเดียมีมมร ป, ประชากร้ด20ล้านคน20ล้านนี่คือกา น, นา้ดที่พวกคามวนันเกีย20ล้าน ในวันเลยพฤศจิกายนปีสองพสีเก้าเก้าของเขาก็องพันสี่เก้ากของเราจะพันห้าร้นับที่ปันสลาดนะลังกาอิานดีะมา่านับโลกไทยหนึ่งปีคือนับปีที่พิเจ้านิพานนับนับหนึ่งของเรามีสาขาปีหน้าเอานับเน็ถ้าเลกันยี่เขงเราจะพันเจ็ดพันลาปีนี้นับหนึ่งของเขาปีนั้นนับหึเลยเพราะนั้นของพสี่เก้า้าน่ะของเราเป็นสองันสีกเก้ของเราของพั น, น, นหน้าร้ของเขาดรอัเก้านำลูกน้อสงแสนคนมาพยานตัวเนทาสุด ทิงกินดิบด so ิบตามวงมึงที่มึงเลิจะหน้าสุดๆมึงทั้งคณะศึกคือมึงหน้าขบุรณะหรือมึงนาบมือมีศึกมีสู้ดีตั้งนั้นล้ต้องใช้สนามบินกระทรงรับไปตระทรวงใ้สนามบินที่อื่นไม่พอเลุดคนต่างแสนแสนอะรทัม่จุไม่นีใช้สนามบินสนามบินพมืองสองแสนคนเต็มพื้นที่หมดแล้วก็ถ้าที่จะให้สูงอ่ะอัตคัเป็มทีเพราะอิงเออเป็นมึงกว้าง ข้าสมงข้าบวกมีไม่ถึงี่สิบูกมีไถึงยี่สิบลูกนะข้าสงที่จะไปทาหน้าที่ให้ให้พระนาคุณให้สินมีไม่ถึงยี่สิบพวกองค์ผ้าองค์นึ่งทาหน้าที่บันกขึ้นนินไ้กเจ็ดเที่ยวดินไปเมืองนั้นให้ถึงแล้วก็ออกไปสินเสร็จแล้วก็อีกงลุกขึ้นบนบินบินไปอีกเมืองหนึ่ง้อนตายบินไปอีกเมืองหนมืองนึงอย่างเงี้ยเมืองสายโซ่ท้ายจะขาดที่รู้รายละเอียดมีมากกว่ามีพ่มีขายนข้าโนในเมืองไทยนี่คณะหนึ่งวัตพันขา นำพระยยงชุดนี้ไปฉลองพิธเจ้าปีนวดอินเดียท่านกลับมาเล่าเล่ารายละเอียดถ่ายพ่อให้ฟังท่านบอกว่าอูคนนี้มึงเหาว่าพระนระว่างอัศาคัตตองยินบนพระมหาญาณกรให้ตสิ้นด้วยตอนนี้มึงขับมชุดนีไปไปที่มง น, นาตูเลยแหละพอพอขึ้นบินจอด้ามึงหยุดพื้นมาแบกเลยดีใจไม่เคเห็นพระมาแบกแบกแล้วก็มงจะไ่ใจไหนจะดุกรเดีวยวไม่ได้พเพรางเริ่มมันคนอถือท้ากันคนอาลิมันเลียเท้าเรื่องทานาดอเมียเท้าละ บางคนเอาท้าพุ้งถุงลงที่ตาแล้วผู้หญิงเนี่ยมาแตะเท้าอีกตุกตน่อยเลยจะไปห้ามแปว่าห้ามแ้ว่าไม่ทันแลู้้าก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้ไรู้เรื่องแล้วตอนนี้มันจะไปที่รู้อะไรตอนนี้ผู้หญิงมาเอามาเอาชายเอาจับชายเนแคทที่าก็มีเรื่องสายแล้วก็สุดเท้าจะมีเอาสิ่งที่ใช้เลใส่กำลังตัวเองก็มีย่างั้นแปลว่ทั้งหนักเข้าเป็นี้เกิดโดยท่องมาเราจะบนกเล่มีท้ากับตะวันออขึ้นไว้ไม่ดคนร้นเป็นแสง ได้ยยีนรงนี้แหละช่ได้ไม่มีทางช่วยได้เลยก้อนย้นอยู่ตรงนั้นจรงๆฮะไม่มีทางช่วยได้ตอนนี้เอาอะไรมาแล้วต้องกระตั้งตอเอารถี่มาแหวกอย่าไปเอาตูขึ้นรถพี่ไดันไปขันเ็นขันครบไปขันถึงสามขันได้แล้วมาขอบสีใหม่ตั้งสองพันคนอยู่ข้างหน้าเดินทางรอนแมาสามันสามคืนเดียรอ้๊ยมาสอันคนจะมารับเดินจะถึงก็ไปตำน่ะอ้าเจ้าหนูฉันมาให้ส ไปเสร็จแล้วไปทั้งต่อตะนนี้ใหม่ชุดนี้ตั้งแต่สี่มมงเช่ายันดังคืนสันสองถึงได้หลับหลับไปเพียงชื่อโมงเดียุดเต้นมาให้เสียงอีกบอกว่าแหน่นการทำงานพวกเขาสานาอย่างเห็นจริงเห็นจังเลยคขาเนี่ยมิดใจชุ่มชื่นไปชุ่มชื่นไอเนื้ยก็แสนไปเหนื่อยจะขาดใจไได้กติพักผอนเลย ทำงานนี่เส uh, ีดงเรเสียงแสบเสียงแทะมันต่างกันเดียรเสียแต่จำเป็นให้ให้เสียงนี้ก็พอแล้วเสียงไม่ยีงไม่คุฟนก็เดี๋ยวก็ดับเด๋ก็ีต้องจำเปินกันเขาว้าเสียงคลาเขาบป็นสะทือนหมดเสียงเนี่ยเสียก็ต้นงแสบเนี่ยว่าตามนี่ยหกระทืนก็กล้องอันนี้แหละครับเป็นการที่เราสักพุทธิดคืนชีพมาใหม่แล้วแต่าน่าเสียดายวันละคุณคนีเป็นคนยากเสียนี้จริงๆวันณะคุณมัน่ยากจน เพราะนั่นสูงจะหาภากลางกองค์พระพุทธรูปดีนะกรางก็องค์มาไม่ได้เลยใช้กระดาษที่ไหนกระดาษตามหนังสที่มีรูปพระพุทธเนี่ยตัดตัดก็ใ่ก็กันกราบกันใส่เข้าไปในศาลาศาลาก็เป็นโปนหนางแข่เก่าๆเนี่ยตั้งแล้วก็บูชาบูมุนิมนกันหน้าผินศาลมาะ้คือพยายามีเลยว่าอาให้าติมันมุนไทยอะทัถูกี่มันมนคารเลอตัวกระทั่งถูกตัดคอตัดพิษะตัพระัดแต่ก็ยังมีเข้ามาไปถหาภาคองกลาบก็เลย เนี่ยเือดเนี่ยไ น, นั้นตามวัตยาเรายัดไหนนะครับแต่ผู้ถูกเหลือตัวเกินไปเหาือว่ันรักษาไว้อยู่ตัวไว้จะทำลายตอ น, นมีนเหินเกบเงิ่เือนแล้วก็ไปถอยได้ที่รับไตรภัต ย, ยาด่าทางทางเราไม่มเองไม่ได้ก็ไปถ่ายที่เป็ น, า น, านการขาวสนามเมอะเป็นการข่าวนาเขาเป็นเจ้าหน้าที่รับพระของเรานี้ไปแล้วเป็นบุญมหาศาลเกี่ยวกัรของเราที่เสียไปเนี่ยมาให้ผู้ถูกใ้เป็นกากไปมีทางกันเวลาที่าจะคัดทีู่ เพราะนั้นก็เึงนใจยูกจายพระมีของทุนในวัดหลวเถือก็รีดนงินเอามารวบรวมแล้วก็ไปให้ตุกการศาสนาเทียแจ่งจตจงนั่นว่าจโจอ้อยสนงไปวัดไทยพุทกยาคือใวัดไทยุทธพุ ธ, ธกิจยานั้นจัดการล่อพระจตุรมชาวสูตี่เป็นูพุทธศัพ์นา้นในอินเดียนี่ตกการคำพูดในมหาศาลร่อนะครับทุกุารศาสนาก็ในภาคอินเดียก็วันนี้จบพนีนี้ไม่ใช่ว่าจบพิธีุาสนาในอินเดียแล้วต่อไปงจะสู้พีุทศนาในประเทอืนแต่ล้ก็เสียต่อไป